ที่ชื่อว่าสมณีรีได้แก่สตรีผู้รักษาศิบขาบทสิบข้อที่ชื่อว่าหญิงครืหัดพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงสตรีผู้ครองเรือนคําว่าให้บีบคือภิกษุณีใช้ให้บีบต้องอบัตติจิตตีคําว่าหรือให้นวดคือใช้ให้นวดต้องอบัตติจิตตี